ข้อที่หกมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียรพระเจ้าอยู่หัวเวลาทำอะไรทรงมุ่งมั่นมากเรื่องความขยันไม่ต้องพูดทรงงานไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีเวลากลางวันกลางคืนจำได้ไหม เมื่อสองสมปีที่น้ำท่วมทรงอึดอัดพระทยัยพระองค์ท่านไม่ใช่หน่วยงานจะไปสั่งเขาได้อย่างไรรัฐบาลก็ไม่ใช่จะทำกันทีต้องจัดประชุมน้ำมาแล้วนะแล้วก็ดุนะครับพระองค์ไม่รับสั่งอย่างที่เจ้าขุนมูลนายของเราชอบสั่งกันชอบพูดกันน้ำมาแล้วพวกเราไปทำไม่พระองค์อธิบายนี่ น้ำท่วมมันมาวินาทีละเท่านั้นระหว่างทางมันเติมเท่านั้นเพราะฉะนั้นระหว่างทางมันเติมมากี่ลูกบาทเมตรเคลื่อนย้ายด้วยความเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นนับวันเวลาที่เท่านั้นจะถึงกรุงเทพพอดีรับพระราชกระแสมาพรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มดาเนินการไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าต้องเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพราะน้าไม่มีหยุดไม่ใช่หยุดก่อนแล้วโอเค เราพรุ่งนี้เช้าถึงจะทำได้แล้วค่อยมาพระเอิญน้ำเขาไม่ได้หยุดอย่างนั้นเข้ามาของเขาตลอดเราต้องรีบทำกันคืนนี้เลยเรื่องความขยันเรื่องความตั้งใจอะไรต่างๆนั้นจะเห็นได้ชัดเจนความตั้งใจจริงเนี่ยเห็นไหมครับทรงเป็นเลิศหมดทุกอย่าง ดนตรีเนี่ยออสเตรียจะารึกพระนามเป็นชาวเอเชียคนเดียวที่ได้รับการจารึกไว้ในฐานะเป็นนักดนตรีของโลกคนหนึ่งพระองค์แต่งเพลงแม้กระทั่งเพลงก็ส่งนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเห็นไหมครับพอถึงประเทศชาติกำลังต่อสู้กันมีเพลงเราสู้คาามบรุขอองงไทยแต้ เพลงแผ่นดินของเราถึงอยู่ควนใดไม่สุขสมราญเหมือนอยู่บ้านเรา ชชื่ น, นคทาุทาปลุกให้เกิดมีความรักชาติบ้านเมืองแม้กระทั่งล่าสุดยามสงบแต่งเพลงรักสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยรักไม่ใช่โรแมนติกเย้ยวๆเย่ายงที่พวกวัยรุ่นร้องกันรักภูเขารักแม่น้ำรักทะเลแม้กระทั่งดนตรีพระองค์ก็นำมาใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนาด้วยเช่นกัน นกดอยคลอยบินเมื่อเดียวดาย ค, คิดคิดมไวายกังวลให้มนรุ่งไท่หมองขาดมวนนิดไรคนสนิทคู่เคียงครอลงไหลไม้ปองคนปราณีขาดเรื่องแหลงพักพล น, นักนอนขาดยากบิดอนแลง ด้านกีฬาพระองค์ก็นำมาใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนาด้วยเช่นกันด้านกีฬาเหรียญทองแข่งขันอินเตอร์นะครับไม่ใช่แข่งขันกันในประเทศเดี๋ยวจะหาว่าคงไม่มีใครกล้าขึ้นหน้าพระองค์นี่แข่งกัน30กว่าประเทศเหรียญทองเรื่องเกษตรเรื่องน้ำเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องสารพัดทรงทะลุ ป, ปรุปโปรงหมดทรงตั้งใจทาอะไรก็ตั้งพระไทย แล้วไปสู่การปฏิบัติที่เป็นผลเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับตอนที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตแพทยาศาสตร์รับสั่งว่าเป็นหมอยาแล้วพอถัดมาได้รับนิติศ า, ศ า, ศ า, ศาสตร์ทรงบอกว่าเป็นหมอยาเสร็จแล้วเป็นหมอความแล้วถัดมาอีกสักพักได้เกษตรก็บอกเป็นหมอดินแล้วแล้วตอนนี้เป็นหมอลำแล้วด้วย เพราะได้รับดุสดีบันดิตด้านดนตรีทรงมีพระอารมณ์ขันแม้จะรับสั่งเล่นๆอย่างนั้นเห็นไหมครับว่าความเป็นหมอของพระองค์นั้นไม่ใช่ให้เป็นเกียรติยศเฉยๆแต่ทรงรู้จริงๆในแต่ละเรื่องในความรู้แต่ละอย่างพระองค์สะท้อนออกมาเป็นโครงการโครงการที่เราเข้าไปดูถ้าไม่มีใครอธิบายก็เห็นเป็นเรื่องปกติ จริงๆทรงแทรกอะไรในนั้นอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวหญ้าแฝกอย่างเนี้ยลองคิดดูสิมีมาก็ร้อยปีแล้วนอกจากเอาไปมุงหลังคาไม่มีใครเอาไปใช้อย่างอื่นกลับมาทรงทําแนวกั้นดินพังทลายพรวนดินออกมาด้วยอะไรต่ออะไรด้วยของหาได้ทั่วๆไปเอาผักตบชวามาสู้กับน้าเน่า ตบชวาของเราก็ไม่ต้องการเป็นอาธรรมน้ำเน่าก็เป็นอาธรรมเราก็ไม่ต้องการจับเอามาสู้กันไม่ต้องไฮเทคไม่ต้องอะไรไม่ต้องโรงบาบัดน้ำเสียทะเลาะกันอย่างทุกวันนี้ใช้ธรรมชาติเข้ามาแก้ไขกันเองก็อยู่แล้วแม่น้ำเพชรบุรีลองคิดดูสิคนไม่ทิ้งอะไรลงไปช่วยกันรักษาไม่ถึงปีก็สะอาดแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากมือเรากับใจเรา ฉะนั้นต้องตั้งใจก่อนมือเราจะได้ไม่ทำจิตเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นความตั้งใจจริงจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้พระเจ้าอยู่หัวได้แสดงให้เห็นอยู่ตลอดความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องพูดวันนั้นเสด็จงานห้าทุมเสด็จไปแล้วเราก็เข้าค่าย ไปนอนอยู่ในค่ายเมลิกัทยาวันนอนอยู่ก็ปรากฏว่าตีสองวิทยุเรียกมาให้ไปเข้าเฝ้าเราเหนื่อยมาตั้งแต่บ่ายสี่โมงเย็นจนกระทั่งถึงห้าทุ่มแผ่นนอนสลบไลดหมดเลยตีสองทรงเรียกไปขอแผนที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมในขณะที่เรากลับไปสลบไลดยทรงกลับไปทรงงานต่อเราละอายไหมครับแล้วเรื่องเนี้ย ไม่ใช่ว่าปรากฏขึ้นหนสองหนนปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่งานไม่เสร็จนี่นะครับจะต้องต่อเนื่องไม่มีวันจบจนกระทั่างงานบรรลุจำไว้อย่างหนึ่งในฐานะข้าราชการงานประชาชนรอไม่ได้สวมวิญญาณลองสวมถ้าเราเป็นเขาบ้างแล้วบอกพรุ่งนี้รอก็ได้ แต่เขากำลังจะตายณนะวันนั้นณนะชั่วโมงนั้นจะให้เขารอต่อได้ยังไงเราต้องทำทันทีสวมวิญญาณเขาอยู่ตลอดเวลาเข้ามาติดต่อเรื่องที่ดินขาดเอกสารอะไรสักนิดหนึ่งเอื้อกันได้ไหมเอื้อกันได้ก็ช่วยไม่ใช่กลับไปแล้วพรุ่งนี้ก็มาอีกความยากลำบากของเขาแค่ไหน เพราะฉะนั้นเซอร์วิสไมปัญญาหรือว่าจิตสำนึกในการบริการผมคิดว่าพวกเราต้องมีไม่อย่างนั้นอย่ารับราชาการเลยไปทำธุรกิจซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีสติปัญญารวยหรอกพวกเราทำธุรกิจไม่เป็นที่รวยเพราะอาศัยราชาการพูดถึงบางคนนะไม่ได้พูดถึงทุกคนคนดีย่อมมีมากกว่าคนชั่ว ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองพังไปนานแล้วก็อาศัยคราบข้าราชการหากินไปเรื่อยก็ร่ำรวยแต่เอาจริงแล้วท่านก็รับสั่งท่านไม่ปฏิเสธใครอยากรวยก็ไม่เป็นไรลาออกจากราชการไปทําธุรกิจไม่ว่าแต่ถ้าคุณเป็นข้าราชการแล้วไม่ได้ต้องเลือกนะครับชีวิตต้องเลือก พ่หัวเราพ อ, พอเล่นดนตรีพ่อพอยาโคลนพพอต ร, รัสถลับในทุ่พื้นที่พอพอก้มลงไปจับมือเด็กน้อยกราบสวัสดีภาพเหล่านี้ประทับใจเราไม่เคยเลือนหายพอพอทำง่าย ชราที่พอ่อนมตัวเพื่อไปรับไว้ภาพพ่อเป็นลูกที่เก่ตั้งอยู่ภาคความรักอีกมากมายที่ยังคง สจึงร้องเพลงนี้ถาวายแทนใจจากเราภาพของรองเท้าที่พ่อนั่นซ่อมแล้วซ่อมอีภาพหลอดยาสีฟันที่พอบีบรีใช้จนหมดภาพของชีวิตที่เพียงพอ จากพ่อที่เราได้พบไม่อาจลบออกไปจากใจของเราได้เลยจึงเป็นบทเพลงของพ่อที่เรารวมกันร้องต่อต่อความดีและความรักที่ไม่เคยเสึนคลายตอความห่วงใยของพ่อที่ถึงเทให้เราล่มเย็นสดสบาย